เป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบรยสัตว์ผู้มีจิตศรทัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบารมีเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลง บุญบารมีนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์โลกนั้นมีความแตกต่างกันมีสูงมีต่ำมีฉลาดมีโง่มีสวยมีไม่สวยมีรวยมีไม่รวยขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละสัตว์โลกที่จะบำเพ็ญกันมาถ้าได้บำเพ็ญมามาก ก็จะมีความสุขความเจริญมากถ้าบาเพ็ญมาน้อยก็จะมีความสุขความเจริญน้อยมนุษย์เราในโลกนี้จึงมีฐานะแตกต่างกันไปบางคนก็ได้เป็นกษัตริย์เป็นนา ย, ยกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นน า, นนายพลบางคนก็ไม่ได้เป็นเป็นแต่คนยากจน เป็นแต่คนที่มีแต่ความรแ้แค้นเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้สะสมบุญมารมีมานั่นเองบุญจิตใจของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ถ้าต้นไม้ได้รับการดูแลได้รับการบำรุงได้น้ำได้ปุ๋ยได้แดดได้การป้องกันวัชพืชกั บ, บแมลงสัตว์ต่างๆ ที่จะมากัดมาทำลายต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่โตได้อย่างรวดเร็วแต่ต้นไม้ที่ขาดการทำนุบำรุงด้วยน้ำด้วยปุ๋ยด้วยแดดด้วยอากาศด้วยการป้อง้ังรักษาไม่ให้แมลงสัตว์ต่างๆมากัดแทะทำลายก็จะ เจริญงอกงามถ้าถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะไม่เจริญงอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับการดูแลรักษาใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันใจของพวกเรามีหลายระดับด้วยกันระดับมนุษย์ระดับเทพระดับพรหมระดับไอพระอริยเจ้าหรือระดับเดรัจฉานระดับเปรระดับนรกที่แตกต่างกันเพราะว่า บุญบารมีนี้สะสมมาไม่เท่าเทียมกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลาย <c oughs> เราก็ต้องบำเพ็ญบุญบารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญบารมีกันมา ถ้าพวกเราได้บำเพ็ญเราก็จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนเริ่มต้นจากการเป็นมนุษย์ก็ขยับขึ้นไปเป็นเทพจากเทพก็ขยับขึ้นไปเป็นพรหมจากพรหมก็ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆคือขั้นพระโสดาบันพระสกิฬาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์นี่เป็นผลของจะที่เกิดจากการบำเพนบุญบา ร, รมีเท่านั้นและไม่มีใครจะสามารถมาบำเพนบุญบา ร, รมีให้กับเราแทนเราได้ <c oughs> เราต้องเป็นผู้บำเพนเองดังที่ทรงตัดสอนไว้เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโธ ตนเป็นที่พึ่งของตนครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางเป็นเหมือนแผนที่ที่จะบอกให้เราเดินทางไปในทางที่ถูกต้องที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาได้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่สามารถฉุดลากเราไปได้ถ้าฉุดลากเราไปได้พระพุทธเจ้าคงจะฉุดพวกเราไปพระนิพพานกันหมดแล้วไม่ต้องมาทุกขกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพลาดากจากสิ่งที่เรารักที่เราชอบแต่เนื่องจากการทำตนให้อยู่ พ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเองด้วยการบำเพ็ญบุญบรารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาซึ่งมีอยู่สิบประการด้วยกันคือ 1. ทานบรารมีสองศีลบรารมีสมเนคขมบรารมี 4. อธิษฐานบรารมี 5. สัจจะบรารมี หกวิริยะบารมีเจ็ดขันติบารมีแปดเมตตาบารมี 9. ก้าปัญญาบารมีและสิบอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิบนีแลที่จะพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดในสุขติได้มีแต่ความสุข ความสบายมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดสิ้นไปในที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ทรงรับมาพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติก็หมั่นสร้างบำเพ็ญบรารมีต่างๆแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้ต้องบำเพ็ญ บางชาติก็บำเพ็ญวิริยะบรารมีมากกว่าบรารมีอย่างอื่นบางชาติก็บำเพ็ญทานบรารมีมากกว่าอย่างอื่นขึ้นอยู่กับฐานะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่จะบังคับให้พระองค์ต้องบำเพ็ญบรารมีส่วนต่างๆเหล่านั้นจนในที่สุดก็ได้ทรงบำเพ็ญครบทั้งสิบบารมีจึงทำให้พระองค์สามารถ ตัดสรุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เกิดจากการบำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้เองซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะเจริญตามรอยพระพุทธบาทได้ถ้าเรามีความตั้งใจอั น, นแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญบุญบา ร, รมี ทั้งสิประการนี้ดังนั้นขอให้พวกเรามาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับบารมีทั้งสิบนี้ว่ามีอะไรบ้างทานบารมีก็คือการให้ให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่มีเกินความจำเป็นของเราหรืออาจจะไม่ไม่เกินความจำเป็นแต่ถ้าเรายังปรารถนา ที่จะให้เราก็ยังให้ได้ให้ได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้จิตใจเรามีความสุขมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นไปการให้ก็ให้ได้หลายอย่างให้ข้าวของต่างๆเช่นวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารข่าวหวานของข่าวของหวานมาถวายพระเราเรียกว่าเป็นวัตถุทานให้สิ่งของต่างๆ ถ้าเราไม่มีวัตถุทานแต่เรามีวิชาความรู้เราสอนผู้อื่นโดยไม่คิดเงินทองก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานหรือถ้าเรามีธรรมะหรือมีหนังสือธรรมะดีๆที่เราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์เราก็นำเอามาแจกให้แก่ผู้ที่ <c oughs> ไม่มีเพื่อเขาจะได้รับประโยชน์ อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมทานการให้ทั้งสามอย่างนี้การให้ธรรมะนี้เป็นการชนะการให้ทั้งปวงเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์มากที่สุดจะทำให้ผู้ได้รับธรรมะนั้นผู้ตาสว่างมีดวงตาเห็นธรรมสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ส่วนวิชาความรู้ทางโลกหรือ ข้าวของเงินทองต่างๆก็พอจะช่วยปลดเปลืองความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะมาปลดเปลืองความทุกข์ทางด้านจิตใจได้ดังนั้นการให้ธรรมะจึงเป็นการให้ที่สูงสุดที่ดีที่สุดนี่คือเรื่องทานบารมีขอให้เราทํากันอย่างสม่ําเสมอ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาทำที่วัดเพียงอย่างเดียวเราทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็เป็นทานบารมีเหมือนกันทำกับพี่กับน้องกับญาติสนิทมิตรสหายทำกับผู้ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทำกับใครก็ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเหมือนกันได้บารมีเหมือนกันดังนั้นขอให้เราทาไปเรื่อย ตามแต่โอกาสแต่อย่าไปเสียเวลากับการไปหาข้าวของเงินทองเพื่อมาทาทานบารมีนี้ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองหรืออยู่แล้วเราก็ควรที่จะขยับขึ้นไปสู่บารมีขั้นที่สองก็คือศีลบารมีอย่าเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองข้าวของต่าง เพื่อมาทำบุญให้ทานที่ให้ทำบุญให้ทานนี้เพื่อถ้าเราไม่มีถ้าเรามีเหลือเฟือเหลือมากจนเกินไปก็อยากเก็บเอาไว้ให้เก็บกัโรครุงรังเอามาทาเป็นทานบารมีแต่ถ้าไม่มีเหลือแล้วก็ไม่ต้องไปหามา <c oughs> ให้มารักษาศีลดีกว่ามาเจริญศีนบารมี เช่นการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายาหมองอย่ารักษาแต่เฉพาะเพียงวันพระเพียงวันเดียวควรพยายามรักษาให้ได้ทุกวันเพราะศีลก็เหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ของเรานี้เองเราใส่เสื้อผ้าทุกวันเราไม่ได้เสียเสื้อผ้าเฉพาะเพียงวันพระวันเดียว เพราะเราต้องการความสวยงามเราต้องการให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราสวยงามเราจึงมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้ใส่กันแต่ความสวยงามที่แท้จริงของเรานั้นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจใจที่มีศีลนี่แหละเรียกว่าเป็นใจที่สวยงามเพราะจะเป็นที่เคารพนับถือรักใครชื่นชมยินดี ผู้ที่มีศีลนี้นอยู่กับใครก็ไม่มีใครรังเกียจเ <c oughs> พราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่มีศีลนี้นจะเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยมักจะต้องถูกจับเข้าไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะถ้าปล่อยออกมาเพ่นพ่านก็จะมาทําร้ายผู้อื่น เหมือนกับสิงสาราศัทต์ต่างๆที่จะต้องถูกจับขังไว้ในกรงปล่อยออกมาเพ่นพ่านไม่ได้ว่าจะต้องทำร้ายผู้อื่นอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราพยายามมาสร้างศีลบา ร, รมีกันเพราะศีลบา ร, รมีนี้เป็นบา ร, รมีที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าเราสามารถรักษาศีลได้อย่าง ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไม่ต้องไปใช้กรรมในนรกนี่คืออ น, นิสงส์ความผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรักษาศีถ้าเรารักษาสีนหน้าได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องรักษาเราก็ต้องเจริญน่คัมมะบาลี คำว่านีนคขมะนี้แปลว่าการออกจากความสุขทางโลกคือจะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครคือจะจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารคือเพียงจะรับประทานเท่าที่จำเป็นไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะร่างกาย ได้รับอาหารพอเพียงแล้ววันละมือสองมือนี้ก็อยู่ได้แล้วพระภิกษุที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าส่วนใหญ่ท่านจะฉันมือเดียวหรือถ้าอยู่ในบ้านในเมืองก็ฉันเพียงสองมือคือไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารแต่ให้มาหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบ ทำจิตใจให้สบายด้วยการสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่าเนคขมมะบา ร, รมีส่วนอธิษฐานบา ร, รมีนี้แปลว่าความตั้งใจก่อนที่เราจะทำทานรักษาศีลปฏิบัติเนคขมมะปฏิบัติธรรมได้เราต้องมีอธิษฐานก่อน คำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจซึ่งตามจากอธิษฐานที่ญาติโยมเข้าใจกันญาติโยมเข้าใจาคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าการขอสิ่งต่างๆจากสิกส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเช่นขอให้ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่เป็นความหมายในอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีนี้แปลว่าความตั้งใจ เราต้องการอะไรเราต้องตั้งใจก่อนเช่นวันนี้เราจะมาวัดกันเราก็ต้องตั้งใจกันก่อนเช่นเมื่อวานนี้เราอาจจะคิดว่าเออพรุ่งนี้เป็นวันพระพรุ่งนี้เรามาวัดดีกว่านี่ก็เรียกว่าเป็นความตั้งใจเป็นอธิษฐานถ้าเรามีความตั้งใจแล้วพอถึงเวลาวานันนี้เราก็รู้ว่าเราจะต้องมาวัดกันแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้เราไม่ได้คิดว่า จะมาวัดก็พอถึงเวลาก็อาจจะไม่ได้มาก็ได้อาจจะมีเพื่อนมาชวนให้ไปที่นั่นที่นี่เราก็ไปกับเขาเพราะเราไม่ได้ตั้งใจมาวัดแต่ถ้าเราตั้งใจมาวัดแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องมาวัดยกเว้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายหรือสุดวิสัยที่ทำให้เรามาไม่ได้เท่านั้นเราจึงจะไม่มากัน นี่เรียกว่าอธิษฐานบารมีเราต้องมีอธิษฐานบารมีคือเราต้องมีความตั้งใจที่จะเจริญบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเจริญกันเช่นทานบารมีศีลบารมีเนคขมภ์บารมีเราก็ต้องตั้งใจเช่นว่าต่อไปนี้ทุกวันพระจะต้องทาบุญใส่บาตรหรือถ้ามีพระเดินผ่านว่าง ก็จะใส่บาตรทุกเชา้านี่เรียกว่าเป็นความตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานบารมีจะทำอะไรนี่ต้องมีอธิษฐานบารมีก่อนจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรก็ต้องมีอธิษฐานก่อนอยากจะเป็นหมอก็ต้องมีอธิษฐานบารมีอยากจะเป็นนายพลก็ต้องมีอธิษฐานบารมีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีอธิษฐานบารมีคือต้องตั้งใจ เมื่อตั้งใจแล้วบารมีอีกข้อหนึ่งที่เราจะต้องมีก็เรียกว่าสัจจะบารมีคือความจริงใจเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจต่อสิ่งที่เราตั้งใจเช่นวันนี้ตั้งใจจะมาวัดเราก็ต้องมีสัจจะบารมีคือต้องมีความตั้งใจด้วยมีสัจจะด้วยคือความจริงใจถ้าไม่เช่นนั้น เราอาจจะไม่ได้มาเช่นเราอาจจะไปทุระเมื่อคืนนี้กลับบางบ้านดึกตื่นเช้าตื่นไม่ไหวอยากจะนอนต่อถ้าไม่มีสัจจะบา ร, รมีความตั้งใจที่มาวัดนี้ก็อาจจะล้มไปได้แต่ถ้าเรามีสัจจะบา ร, รมีมีความจริงใจว่าเป็นยังไงจะเป็นจะตายอย่างไรก็จะต้องมาวัดให้ได้ยกเว้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย น้ำท่วมมีพายุอะไรหรือต่างๆเหล่านั้นทั้นนั้ น, น, นถึงจะไม่ได้มาสัจจะบา ร, รมีนี้จะเป็นบา ร, รมีที่สำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสริรุก็เพราะสัจจะบา ร, รมีนี้ตอนที่พระองค์ทรงนั่งประทับจิูวใต้ต้นโพพระองค์ได้ทรงตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจว่าจะนั่งไปจนกว่าจะตัดสรุ ถ้าไม่ตัดสรู้ก็จะไม่รุกจากที่นั่งนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปหมดถึงแม้จะตายไปพระองค์ก็จะไม่สรงรุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดนี่คือเรียกว่าสัจจะอธิษฐานมีความจริงใจและมีความตั้งใจจึงทําให้กิเลสไม่สามารถที่มาล้มล้าง ความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้านี้ได้จึงทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูเป็นพระอรหันตะัสมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็จะได้เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเรามีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมีแล้วต่อจากนั้นเราก็ต้องมีวิริยะบารมีวิริยะแปลว่าความภาคเพียรความขยันถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้ว แต่เรามีความเกียดข้าน ม, มีความขี้เกียจเราก็จะไม่อยากจะทำก็จะไม่ได้ทำตั้งใจจะมาวัดพอถึงเวลาก็ขี้เกียจมานอนดีกว่าอย่างนี้ก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทำบุญนะดังนั้นพอเรามีอธิษฐานบา ร, รมีแล้วสัจจะบา ร, รมีแล้วเราก็ต้องเจริญวิริยะบา ร, รมีต้องหมั่น บุญมันทำบุญรักษาศีลมันปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้ผลที่เราปรารถนานอกจากมีวิริยะบารมีแล้วเราก็ยังต้องมีขันติบารมีความอดทนด้วยเพราะการทำบุญให้ทาการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้มักจะมีอุปสรรคต่างๆมาคอยขวางกั้นเราอยู่เสมอ ถ้าเราไม่มีความอดทนที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆเราก็อาจจะไม่สามารถบาเพ็ญบารมีต่างๆได้ดังนั้นเราต้องมีขันติบารมีด้วยคือความอดทนถ้าเรามีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติบารมีแล้วการจะบาเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนค ข, นขมะบารมี ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้และนอกจากนั้นเราก็ยังต้องบำเพ็ญเมตตาบารมีคือความมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นจะดีหรือจะร้ายกับเราเราจะไม่คิดร้ายกับเขาเราจะไม่จองเวรจองกรรมจะไม่เบียดเบียนเราจะปรารถนาให้ผู้อื่นมีแต่ความสุข ถ้าเรามีเมตตาบา ร, รมีแล้วจิตใจของเราจะสงบจะทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรแต่เรามีเมตตาบา ร, รมีนี้จะทำให้ใจของเรานี้ <c oughs> มีความล่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าหุ่นขุนบัวไม่โกรธแค้นโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทผู้อื่น นอกจากเมตตาบารมีแล้วเราก็ยังต้องมีปัญญาบารมีเพราะปัญญาบารมีนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ทำให้จิตของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากกิเลส ต, ตัณหาต่างๆได้ต้องเกิดจากปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี้เกิดได้จากการ ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาบารมีหรือจะเกิดขึ้นจากการคิดของเราก็ได้ถ้าคิดไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดคิดตามเหตุตามผลอย่างนี้ก็เป็นปัญญาบารมีได้และ ปัญญาบรารมีที่จะเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งก็คือการภาวนาคือเราต้องทำจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิก่อนเมื่อจิตใจมีความสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็พิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆถ้าจิตมีความสงบก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เที่ยง ที่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าใจเห็นอย่างนี้ใจมีความสงบใจไม่มีกิเลสมาคอยต่อต้านใจก็จะปลงได้จะปล่อยได้จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราปล่อยวางได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆนี่คือปัญญาบา ร, รมีเริ่มต้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วญาติโยมก็เอาไปคิดต่ออาิิเจริญต่อไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าคิดอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปใจจะเกิดปัญญาขึ้นมาใจจะปล่อยวางจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากจะยึดติดกับอะไรเพราะการยึดติดนี้ทำให้มีความทุกข์ใจนั่นเองนี่คือปัญญาบารามี ที่จะทาให้ใจของเรานี้ปล่อยวางเป็นอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้รักไม่ให้ชังเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจเพราะเวลาดีใจเดี๋ยวสิ่งที่เราดีใจหายไปล้วก็จะเสียใจ ถ้าเราเสียใจก็ทำให้ใจของเราทุกข์เช่นเวลาใครเขาชมเราเราก็ดีใจพอเขาด่าเราเราก็เสียใจแต่ถ้าเราทำใจให้เฉยๆเขาชมเราก็ไม่ดีใจเขาด่าเราก็ไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ุ่นวายกับคำพูดของคนเราจะมีความสุขทา่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง <c oughs> เป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นรส <c oughs> หรือเป็นสิ่งที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยได้แล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลเพราะเราไม่ได้ไปยินยินดียินร้ายกับอะไรเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไป ตามธรรมชาติของเขาเขาจะเกิดก็ปล่อยให้เขาเกิดเขาจะดับก็ปล่อยให้เขาดับไปแต่เราไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปกับเขาเราไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจกับเขานี่คือเคล็ดลับของการอยู่อย่างมีความสุขคือการทำใจให้เป็นอุเบกขาซึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาบารมีอาศัยเนคขมะบารมีอาศัยศีลบารมี และอาศัยทานบา ร, รมีและเมตตาบา ร, รมีถ้าเรามีบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้แล้วจิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วอาจจะสามารถพัฒนาถึงขั้นสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนำที่สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติและบรรลุ ในภายในชาตินี้มีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สอนโลกก็ปรากฏมีผู้มีปัญญาความสามารถทำจิตของตนให้มีบุญบรารมีครบถ้วนภายในภพนี้ชาตินี้และหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใน ใ, นในชาตินี้เลย ขึ้นอยู่ที่การบำเพ็ญเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เวลาถ้าเร า, เราบำเพ็ญมากไม่ทาอย่างไม่หยุดหย่อนก็จะสามารถสาเร็จได้เร็วถ้าเราทําช้าทําวันนิดวันละหน่อยก็ต้องใช้เวลานานเช่นเดียวกับการทํางานทางโลกถ้าเราทําวันละนิดวันละหน่อยผลงานก็จะได้น้อยแต่ถ้าเราทําทั้งวันทั้งคืนเลยผลงานก็จะได้มาก อยู่ที่การกระทําของเราเท่านั้นจึงขอให้พวกเราจงตั้งจิตตั้งใจว่าจะบำเพ็ญบุญบรารมีต่างๆด้วยความวิริยะอุสาหะภาคเพียงทุกลมหายใจเข้าออกรับรองได้ว่าผลอันเลิศอันประเสริญนี้จะต้องเกิดขึ้นภายในภพนี้ชาตินี้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาแล้วได้รับผลแล้วเช่น เช่นที่ได้พูดวันนี้จึงไม่ควรสงสัยขอให้เราทุ่มเทแว่ำ เ, เวลาเวลาชีวิตจิตใจของเรากับการสร้างบุญบารมีนี้ไปเถิดแล้วเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณภรีรัตน์ไตรและบุญกุศล